ที่เหลือของวันนะมันก็จะดีไปได้แต่ถ้าหากว่าเราทำสิ่งตรงข้ามนะตื่นเช้าขึ้นมาจริงอยู่เราจะรางหน้าแปลงฟันแต่ว่าเราไม่สนใจจิตใจของเราพอออกจากห้องน้ำเสร็จนะเราแทนที่จะให้อาหารใจสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเราทำ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 เห็นข่าวคราวความขัดแย้งทางการเมืองการทะเลาะบบาแว ง, ก, าา ก, ก, างกันอาจจะการการป้นจี้ข่ากันจิตใจก็เศร้าหมองลงมากินข้าวนะบนโต๊ะก็มีลูกสาวอายุสิบขวบกับภรรยาระหว่างที่กินข้าวอยูนะ่ลูกสาวเกิดทำแก้วน้ำตกแตกนะพ่อก็ ไม่พอใจนะก็ต่อว่าลูกอาจจะเป็นพ่อมีความขุนมัวมาตั้งแต่เช้าแล้วโดยไม่รู้ตัวพอลูกสาวทำแก้วน้ำตกก็ว่าลูกว่าอย่างเสียๆให้หายแม่ไม่พอใจแที่พ่อว่าลูกแรงไปใช้คำที่ไม่ถูกไ ม, ไม่เหมาะสมก็เลยต่อว่าพ่อคือสามีสามีก็เลยนะ ทันมาทะเลาะ ก, กับภรรยาก็ติดพันอยู่พักใหญ่นะก็เหลือดูนาฬิกาเอา้ามันเลยเวลาที่จะต้องออกจากบ้านแล้วจะต้องออกจากบ้านเจ็ดโมงนี่มันเจ็ดโมงสิบห้าก็ไปแลวนะก็เลยรีบขึ้นไปรีบขึ้นห้องเก็บเอกสารใส่กระเป๋าเพื่อเตรียมไปทำงาน ต้องพาลูกไปส่งที่โรงเรียนด้วยที่กรุงเทพนี่พอออกสายสัก10นาที15นาทีนี่ก็เป็นเรื่องแล้วนะอาจจะหมายถึงการไปช้าครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงในทีเดียวก็ปรกว่าไปส่งลูกสายเลยเวลาไปแล้วลูกก็ถูกครูว่าส่วนตัวเองก็ไปถึงที่ทำงานช้าก็ถูกเจ้านายต่อว่าเพราะมันมีประชุมใหญ่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 ก็กลายเป็นว่าการประชุมครั้งนั้นก็ไม่สําเร็จอย่างที่ต้องการก็ถูกเจ้านายต่อว่าหนักเข้าไปใหญ่ว่าคุณนี่ไม่รับผิดชอบเลยนะเรื่องสําคัญนี่ทำไมลืมเอกสารอย่างนี้ไว้ได้ชาววันนั้นบ่ายวันนั้นก็เลยนะแย่ไปเลยนะจิตใจคุณมัวไม่มีอารมณ์ทํางานยิ่งมีเพื่อนมาหยอกล้อแทนที่จะหยอกล้อหรือว่าเออออไปด้วยก็กับโมโหเพื่อนด่าเพื่อนเข้าไปอีก ก็กลายเป็นมีปากเสียงกับเพื่อนวันนั้นก็กลายเป็นว่างานก็ไม่ได้เรื่องแถมยังมีปัญหาทะเละาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วม ง, งานอีกเลิก ง, งานก็อารมณ์บูดนะอารมณ์บูดขับรถกลับบ้านไอ้ความที่อารมณ์บูดนี่ก็เลยทำให้เกิดการเชียวชนขึ้นมารถที่อยู่ข้างหลังก็ติดระนาวตัวเองก็ นะอารมณ์เสียกลับบ้านก็กลับไม่ได้นะต้องรอประ ก, กันให้มาให้มาเคลียกว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่าด้วยความที่อารมณ์เสียก็เลยทะเลาะกับภรรยาต่อนะถามว่าทําว่ า, วาภรรยาเนี่ยนะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไปออกจากบ้านช้าแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบที่แย่ๆตามมาเป็นลูกโซ่ ภรรยาก็ไม่พอใจก็เถียงกับกลายเป็นว่าข้าวไม่ได้กินนะนะพาะไม่มีอารมณ์จะกินข้าวแล้วการเถียงกันลูกสาวอยู่ในเหตุการ์ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะถูกครูต่อว่าตั้งแต่เช้าแล้วมาเจอเหตุการณ์ตอนค่ากินข้าวไม่ลงนะสติเกิดจะแตกแล้วคืนนั้นทุกคนกลับไปนอนด้วยความรู้สึกที่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 ไม่เพลรอด่าว่าลูกด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเขาก็าจะาแค่เตือนลูกเตือนลูกสาวว่าให้กินข้าวระมัดระวังหน่อยนะให้มีสติสักหน่อยนะถ้าก็เตือนอย่างนี้นะก็คงไม่มีเรื่องทะเลาะ ก, กับภรรยาได้เวลาเจดโมงนะเขาก็จะขึ้นไปที่ห้องเก็บเอกสารงานการที่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 ก็ไม่มีเรื่องเชลียวชนเพราะว่าไม่ได้อารมณ์บูดกลับถึงบ้านนะเจอลูกเจอภรรยาก็พูดคุยโอภาปาศายกันนะก็เกิดบรรยากาศที่ชื่นมืน่นทุกคนก็เข้านอนด้วยความรู้สึกเป็นสุขสบายไม่มีเรื่องติดทางใจนะเห็นได้ว่าเนี่ยฉากสองฉากหรือเหตุการณ์2เหตุการณ์นี่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะ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 อันนี้นี่มันอ ย, อยู่ที่การเลือกของเรานะันเราเลือกได้นะว่าเราจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยใจที่สดใสหรือว่าจิตที่ขุ่นมัวนะซึ่งส่วนนั้นก็อยู่ที่การเสบรับข่าวสารข้อมูลหรือว่าการที่จะเติมอะไรให้กับจิตใจด้วยแล้วถ้าเริ่มต้นไม่ดีแล้วนะพอเจออะไรมากระทบนิดหน่อยก็มันก็เกิดอาการเรรวน เป็นขบวนเลยนะเป็นลูกโซ่เลยแต่ถ้าเริ่มต้นดีด้วยใจที่สดใสมีความรู้สึกตัวแม้จะมีอะไรมากระทบนะจิตใจก็ไม่ขุนมัวไม่หวั่นไหวนะลูกทำแก้วน้ำแตกก็ไม่ไม่ไม่โกรธลูกนะแต่ตักเตือนลูกด้วยดีฉนะ้ที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าเนี่ยถ้าตั้งต้นจากความรู้สึกตัวแล้วนี่ที่เหลือก็จะดีไปเองเนี่ยนะมันมีความหมายแบบนี้แหละ และมาจจะมีความหมายในแง่อื่นนะที่มีคุณค่ากว่านี้ด้วยไม่ใช่แค่การทำงานได้สาเร็จราบรื่นนะแต่มันยังอาจจะหมายถึงการที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้เจอปัญหามากระทบนะก็ก้กาวข้ามมันได้ด้วยใจที่มั่นคงเพราะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะด้วยสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลนะ ชำระกายแล้วก็ชำระใจให้สะอาด น, นเนี้ยมันมีประโยชน์แล้วก็มีมความสาคัญมากทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับกายแล้วเราก็ลืมใจเราหาอาหารให้กับร่างกายเวลาสมื้อหรือบางที4ี่ห้ามือ้อแต่อาหารใจเนี่ยเราให้บ้างหรือเปล่านะบางทีแทบไม่ได้ให้เลยเรามีเวลาพักกาย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 ทีฝันลายด้วยนะตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ฝันก็จริงแต่ฟุ้งแทนนะเราคนส่วนใหญ่ไปอย่างนั้นนะกลางคืนฝันกลางวันฟุง้งและตัวที่ทางานตัวที่ฝันตัวที่ฟุ้งก็คือใจนั่นแหละนะเป็นอนว่ากลางวันก็ไม่ได้พักกลางคืนก็ไม่ได้พักพักแต่กายแต่ใจไม่ได้พักเราใช้เวลาจำนวนไม่น้อยในการทำงาน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 เวลาสิบ0ครั้งอาจจะถึง30ครั้งก็ได้นะเคยมีการทำสถิติไว้นะแต่ทำสถิติของคนต่างประเทศนะประเทศอังกฤษนี่ทั้งผ้งผู้ชายส่องกระจกดูหน้าตาตัวเองเวลา3ามสกรครั้งหรือทุกครึ่งชั่วโมงของเวลาที่ตื่นพวกเราจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่แม้กระนั้นเนี่ยก็ก็มากาเทียบการ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 หรือว่าเพียงพอสาหรับ ก, การที่จะถ่ายเทยเออกไปจากจิตใจเราต้องเติมสติเข้าไปให้มากขึ้นหรือว่าฝึกฝนสติของเราให้ว่องไวปราดเปรียวเพื่อที่จะทำงานได้คล่องแคล่วรนะวมทั้งเติมปัญญาเพื่อปัญญาในที่นี่หมายถึงปัญญาในทางจิตใจในเรื่องชีวิตนะเพื่อที่ทำให้เรา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 เจอเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเพียงแค่เหตุการณ์เดียวแต่เนื่องจากไม่ได้เตรียมจิตเตรียมใจไว้เลยสติที่มีก็ไม่พอก็ทำให้เกิดอาการเสียสูนจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายตามมาถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยมานึกเสียใจว่าเราประมาทไปพูกเราคงรู้จักหรือเคยเรียนชื่อนะหมอคนหนึ่ง เป็นข่าวคราวเมื่อสิกว่าปีก่อนนะชื่อหมอพิสุทธิ์นะบุญกเกษมสันตินะเมื่อสิปีก่อนนี่เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะเพราะว่าถูกถูกตัดสินประหารชีวิตข้อหาฆ่าภรรยาซึ่งเป็นหมอเหมือนกันไม่ได้ฆ่าเฉยๆนะหั่นศพแล่เนื้อด้วยเพื่อทําลายหลักฐานเป็นข่าวคราวใหญ่มาก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 เหลือโทษประหารเหลือโทษตลอดชีวิตและตําหนังก็ถูกลดโทษจนกระทั่งตอนนี้ก็เป็นอิสระและ้วก็มีคนไปสัมภาษณ์นะหมอวิสุทธิ์นะซึ่งตอนนี้เป็นนายวิสุทธิเฉยๆเนี่ยแกก็พูดไว้ประโยคหนึ่งย่อหน้าหนึ่งก็ได้นะที่น่าสนใจมากก็บอกว่าเสียใจว่าที่ต่ก่อนเนี่ยเอาแต่ทุ่มเททํางานไม่ค่อยสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรม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 ด้วยใจที่สดใสกว่านั้นด้วยความรู้สึกที่เป็นปกติยิ่งกว่านั้นได้ให้ความเครียดเลือหลังที่เคยเกิดขึ้นกับเราความคุนเคืองหมักหมมสะสมที่เกิดขึ้นกับชีวิที่ผ่านมามาจะกลายเป็นความสุขก็ได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสามารถที่ทำให้เราเปลี่ยนไล่กลายเป็นดีได้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 เปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นความไม่เครียดได้นะเปลี่ยนความขุนมัวใกลายเป็นความไม่ขุนมัวเป็นความปกติไดนะ้ถ้าว่าเรามีวิชานี้นะอ่าที่ผู้แร่งแต่แรกเป็นวิชาชีวิตนะวิชาทางโลกเนี่ยมันให้ความรู้กับเราในการประกอบอาชีพนะแต่อย่างที่มอร์สวิสุทธ์ได้บอกไว้ว่าการคล่องสติการฝึกฝนจิตใจมันสําคัญกับวิชาความรู้สึก